พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นประคองจิตตั้งจิตไว้ว่าในเช้าวันนี้นี่แหละเราจะนำมานำมาด้วยดีจักบรรลุจักถูกต้องจักทําให้แจ้งอริยธรรมอะนนะั้นอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิปัญญาประชุมกันในเวลาเช้านี้แหละว่างั้นนะนะแมานัดอย่างนัดประชุมกันได้ว่างั้นนะนะคือคนที่เขาเจริญมาอย่างเต็มที่เนี่ยนะไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าสามารถนัดประชุมได้ใช่ไหม ก็บอกว่าขนาดเอาผู้ยิ่งใหญ่มารวมประชุมกันได้นะถ้าหากว่ามีองค์ประกอบเต็มที่ฉันใดรวบรวมอริยธรรมทั้งหลายอริยธรรมคืออริยศีลอริยะสมาธิอริยปัญญาหรือทําให้แจ้งอริยะผลทั้งหลายก็ทําได้ท่านบอกว่าเช้านี้ด้วยนะล็อกเวลาด้วยพระประเจกับพระพุทธเจ้าประคองจิตตั้งจิตไว้ว่ า, วาเที่ยงวันนี้แหละ เย็นวันนี้แหละก่อนอาหารวันนี้แหละหลังอาหารวันนี้แหละยามต้นวันนี้แหละยามกลางวันนี้แหละยามหลังวันนี้แหละก็แปลว่าช่ไม่เกินสี่ทุ่มไม่เกินตีสองไม่เกินสว่างข้างแรมนี่แหละนะสิบห้าขั้มข้างแรมนี่แหละสิบห้าขั้มข้างขึ้นออะไรนะสิบห้าวันข้างแรมสิบห้าวันข้างขึ้นฤดูฝนนี่แหละฤดูหนาวนี่แหละฤดูร้อนนี่แหละวัยต้นนี่แหละไม่เกินสามสิบสามปีนะวัยกลางนี่แหละไม่เกิน 66ปีวัยหลังนี่แหละไม่เกินร้อปีเราจะนำมาด้วยดีจากบรรลุจากถูกต้องทําให้แจ้งซึ่งอริยธรรมของเราคงไม่พูดไม่เกินกับนี้นะโอ้โนี่ยระยะยาวเกินไปมั้ง น, ะนั่นน่ะก็เหมือนการเรียชื่อว่ามีจิตไม่ย่อหย่อนมีความประพฤติไม่เกียดคราด้วยอาการอย่างนี้แต่ที่แน่ๆท่านบอกว่าท่านจะต้องทําให้แจ้งอริยธรรมนี่นะนะก็คืออริยะศีลอริยสมาธิอริยะปัญญานะ มันทำยังไงอริยธรรมเหล่านี้จะเจริญขึ้นที่สำคัญจะต้องรู้ว่าวิธีเจริญอริยธรรมเนี่ยอยู่ยังไงจะเจริญในอิริยบทไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเข้าใจอริยธรรมคืออริยศีลขนาดไหนเพิ่มพูนทรรอริยศีลให้บริบูรณ์ได้อย่างไรเพิ่มพูนอริยสมาธิเพิ่มพูนอริ ย, รยปัญญาก็คือเพิ่มพูนอริยมรรคมีองค์แปดให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างไร คำว่ามีความพยายามมั่นคงอธิบายว่าพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีการสมาทานมั่นสมาทานแปลว่าการถือเอาอย่างเรียวอย่างยึดถือยึดถือเลยนะไม่ใช่ปล่อยปล่าละเลยเนี่ยในตรงนี้ยึดถือจริงๆเลยยึดถืออะไรสมาทานแน่วแน่ในกุศลธรรมขอยึดถือเอากุศลนี่แหละไอ้ยึดถือกุศลเนี่ยยึดถือกุศลที่มันดับไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วยึดถือยังไงยึดถือกุศลใหม่ๆว่าใจจะต้องไหลไปตามกุศลอย่างเดียว อั น, นยึดถืออะไรในอะไรในการยศสุดจริญวจีสุจริญในมโนสุดจริญในการแจกทานเออให้ทานด้วยนะยึดถือในการให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถความเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดาความเป็นผู้เกื้อกูลต่อบิดาความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะความเป็นผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์ ความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลและในกุศลธรรมอื่นๆอันยิ่งขึ้นไปชื่อว่ามีความพยายามมั่นคงงนั้นคนตั้งความเพียรเพียรอะไรก็เพียรสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมทั้งกายยสุจเรศวจีสุจเรศมโนสุจเรศในการให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถเลี้ยงดูพ่อแม่ น, นะบำรงสมณะพรามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลและอาธทกุศลอื่นๆเช่นสมถาวิปัสนาเป็นต้นคนที่ภาคเพียนน้อมไปเพื่อกุศลธรรมเหล่านี้เรียกว่าผู้มีความพยายามบากบันมั่นคงคำว่าเข้าถึงด้วยเรี่ยวแรงด้วยกำลังความว่าพระประเจกษัมพุทธเจ้านั้นเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยเรียแรง ประกอบด้วยกําลังมีความเพียรบากบั่นมั่นคงชื่อว่ามีความพยายามมั่นคงเข้าถึงด้วยเรี่ยวแรงและกําลังพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นเนี่ยนะก็ภาคเพียรจริงๆเลยแหละก็แต่ว่าเพียรด้วยกําลังกะกาลังกายอย่างเดียวพอไหมเดินไม่หยุดนั่งไม่หยุดยืนไม่หยุดเป็นต้นอะไ น, นี้ก็ไม่สามารถทำให้สําเร็จต้องกําลังคือความเพียรทางกายและกําลังคือความเพียรทาง ปัญญาก็คือกําลังคือพระห้านะพระหนะั่นแหละจึงจะทําให้ตรัสรู้ได้สัทธาพระวิรยิยะพระสติพระสมาธิพระและปัญญาพระจะใช้เรี่ยวแรงอย่างเดียวใช้กําลังเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่ากําลังกายไม่สามารถทําให้ตรัสรู้อริยาศาสตร์ได้หรอกแต่กําลังใจนี่สิกำลังใ จ, งใจที่ประกอบไปด้วยสัทธาวิรยิยะสมะสติสมาธิและปัญญากําลังแห่ง กุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะทําให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์ทั้งหลายส่วนในคาถาอีกคาถาหนึ่งก็บอกว่าเรื่องราวเหมือนคาถาก่อนเรื่องราวก็แปลว่าเหมือนกับอาวารณะคถาเนี่ยนะก็คือเหมือนกับคาถาที่ว่าพระราชาที่ได้ปฐมฌานนะนะเหมือนกับเรื่องของพระราชาที่ได้ปฐมฌานอาวารณะคถาคาถ า, าที่ก็น่นนะานักคาถาที่สามสบสองอ่ะนะละปฐม ส่วนคำอธิบายมีอธิบายว่ารายละเอียดเต็มมีอยู่ว่าพระปจเจ ก, กสัมพุทธเจ้านั้นไม่ละวิเวกไม่ละฌานประพฤติ ธ, ธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดน่อแรดอันนี้เป็นคำอธิบายนะว่าไม่ละวิเวกไม่สละฌาน อนนะประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดเตกวัาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งหลายเป็นปกติเนี่ยนะพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแร็ดถ้าเป็นคาถาอยู่ในในหน้า 102, นนะหนึ่งอ่ะนะหน้า102ยหน้าหอย่อหน้าบุคคลไม่ละการหลีเกเ้นและชานมีปกติประพฤติธรรมอันสมควรเป็นนิดในธรรมทั้งหลาย พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดคำอธิบายว่าอธิบายในหน้า228บอกว่าปฏิสันลานังก็คือหมุนกลับจากสัตว์และสังขาร น, นั้ น, น, นเรียกว่าลีกเรเนเนี่ยนะลีกรอนอธิบายว่าความคบตนผู้เดียวเออนะเนี่ไอ้ก็ลีกเรเอนคืออะไรบอกคบตัวเองคนเดียวเหนนรู้จักแต่ตัวเองนี่แหละความเป็นผู้มีคนเดียว กายวิเวกนี่ยนะคือคนเดียวที่เป็นกายวิเวกไม่มีคนข้างหน้าข้างหลั ง, งข้างซ้ายข้างขวาล้อมหน้าล้อมหลังไปแต่ผู้เดียวเรียกว่ากายวิเวกส่วนจิตวิเวกเรียกว่าฌานเพราะผาดฌานเนี่ยนะฌานนี่แปลว่าวอะไรฌานเพราะว่าแผดเผาบาปประธรรมที่เป็นฆ่าศึกคําว่าฌานนะโดยศัพท์แปลว่าวเผาฌานเนี่ยเอาเข้าไปฌานเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าเพ่งกับแปลว่าวเผาเพ่งเพ่งอะไรเพระะ่งอารมณ์เผาอะไรเผาปฏิปักษ์ธรรมเผาฆ่าศึกศัตรู เพราะฉะนั้นชานแล้วว่าแผดเผาพ ร, รมที่เป็นข่าศึกเพราะอะไรเพราะว่าชานเนี่ยเพ่งอารมณ์เรียกว่าลัคนูปนิชฌานเพ่งเออครัอารัมมณูปนิชฌานก็คือเพ่งอารมณ์เพ่งพร ม, มิหารเพ่งอ่าเพ่งอะไรเพ่งปิยมนาปสัสสุขิตสัสสะเป็นต้นเรียกว่าเจริญอารัมมณูปนิชฌานชวนเพ่งในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน มังคำว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งอารมณ์แล้วก็เผาปฏิปักษธรรมทั้งหลายสมาบัติแปดท่านเรียกว่าฌานเพราะเผาธรรมอันเป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นแล้วก็เข้าไปเพ่งอารมณ์อย่างเช่นปฐมฌานก็เพ่งอารมณ์เผานิวรณ์ทุติยฌานเพ่งอารมณ์เผา ว, วิตกวิจาร์ตติยฌานเพ่งอารมณ์เผาปีติจตุทชฌานเพ่งอารมณ์แล้วก็เผาสุขทุกโสมนัตโทมณที่มีในก่ อ, น, อนลักษณะนั้นเขาเรียกว่าเพ่งกับเผา ในคาถานี้วิปัสสนามักผลชื่อว่าชานนะนะครัว่าชานที่แปลว่าเผาเนี่ยนะทั้งวิปัสสนาก็เผามากกว่าเผาผลก็เผาเผาอะไรเผาทำอันเป็นข้าศึกมีสัตตะสัญญาเป็นต้นนะอย่างเช่นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่ก็เผาความสําคัญว่าเป็นสัตว์เครื่องหมายสาคัญว่าเป็นสัตว์แล้วก็แล้วก็เข้าไปเพ่งลักษณะเนี่ยนะเพ่งเพ่งอะไรเพ่งปัจจิตตลักษณะเพ่งสามัญลักษณะเป็นต้น ในที่นี้ประสงค์เอาอารัมมณูปนิชฌานเท่านั้นคือไม่ปล่อยไม่สละไม่ละซึ่งการหลีกเรนและด้วยฌานนั้นแปลว่าท่านไม่สละฌานที่ท่านได้แล้วเนี่ยนะก็ได้ฌานตั้งแต่เป็นพระราชาเพราะนั้นก็เพื่อจะตามรักษาฌานเจริญฌานต่อไปบทว่าธรรมมีสุในธรรมมีเบญจขันเป็นต้นในธรรมทั้งหลายเป็นนิดเนี่ยนะก็คือประพฤติสมควรในธรรมทั้งหลายนะเราเข้าถึงขัน ด้วยวิปัสนาเป็นปกติเนืองนิดสมำเสมอและบ่อยๆบทว่าอนุธรรมมจารีความว่าประพฤติวิปัสนาธรรมอันเป็นไปเพราะปรารบธรรมเหล่านั้นคือขันธ์ห้าเป็นไปอีกอย่างหนึ่งโลกุตระธรรมชื่อว่าธรรมธรรมะอันอุโลธรรมะอันอนุโลมแก่ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอนุธรรมคำว่าอนุธรรมเป็นชื่อของวิปัสนาปอนุธรรมมจจารีประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตระธรรม ประพฤติวิปัสนาเพื่อสมควรแก่อริยมรรคนั่นเองบทว่าอาทีนวังสัมมิตบทว่าอาทีนวังสัมมิตาพระเวสุความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโทษมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นโทษของขันห้าคืออะไรก็มันไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละคือโทษแห่งขันห้าในภพสาม ที่จารณาอย่างนี้ด้วยวิปัสสนากล่าวคือความเป็นผู้ประพฤตนนะิตามธรรมนั้นนะตามธรรมนั้นตามอะไรตามวิปัสสนานั้นพึงทราบ ว, ว่าบรรลุแล้วซึ่งกายวิเวกจิตตวิเวกด้วยปฏิปทากล่าวคือวิปัสสนาอันถึงยอดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวด้วยการประโยคะด้วยการประกอบสมถะและวิปัสสนาเหล่านั้น ภาษาริบุทอธีบายเพิ่มเติมว่าคําว่าไม่ละชานไม่ละวิเวกเนี่ยนะไม่สล ะ, ะไม่สละวิเวกไม่ละชานออกไปคืออะไรคือพระประเจกับพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชอบวิเวกนะโดยอัธยาศัยนี่เป็นคนที่ยินดีแต่ผู้เดียวอยู่แล้วยินดีในวิเวกประกอบความสงบจิตอันนี้ก็คือจิตตวิเวกณนะภายในเนืองเนืองไม่ห่างจากชานร่างกายเนี่ยห่างจากคนอื่นก็จริงแต่ใจไม่ห่างจาก ฌานเลยเนี่ยนะเว้นไว้แต่พวังเท่านั้นนะที่ไม่เป็นฌานปัญชาวนะทั้งหลายของท่านไหลไปกับฌานไม่เหินห่างจากฌานไม่ละฌานคือประกอบประกอบทั่วประกอบพร้อมมันประกอบมันประกอบพร้อมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌานที่ยังไม่เกิดเพื่อเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานที่ยังไม่เกิดเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อความเกิดขึ้นแห่งเจตุตาฌาน ที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าไม่ละฌานด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะก็คือมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต้องการฌานยิ่งขึ้นแสดงว่าท่านไยสู ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งพระปเจกพะพุทธเจ้านั้นย่อมเสพเจริญทําให้มากซึ่งปฐมฌานที่เกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยทิ้ ง, ง uk, ๆิคว่างคไม่ดูแลไม่ใช่นะทุติยฌานที่เกิดขึ้นแล้วตัตยยฌานที่เกิดขึ้นแล้วจตุตยฌานที่เกิดขึ้นแล้วนะเสพเจริญทําให้มากทําให้เป็นวสีชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกชํานาญในการนึกชํานาญในการพิจารณาก็เรียกว่าวัสีทั้งห้าในฌานทั้งสีนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ละวิเวกในฌานทั้งหลายไม่สละทั้งการยวิเวกจิตวิเวกไม่สละปทมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุธาฌานส่วนธรรมทั้งหลายธรรมนี่คืออะไรตรงนี้บอกว่าธรรมมีสุธรรมเนี่ยธรรมคืออะไรธรรมคือสติประธานสี่สัมมาประธานสอิที่บาสีอินทรียห้าพละห้าโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือที่เราเรียกว่าโพธิปัจิยธรรม37เรียกว่าธรรมะธรรมะในที่นี้นะในคําว่าธรรมมีสุ นิจจังอนุธรรมจารีส่วนอนุธรรมจารีเนี่ยทนำะที่เพื่อทําทอันสมควรทําอันสมควรแก่โพธิปัจจะธรรมคืออะไรทํำยังไงให้มันสมควรจะได้โพธิปัจขยธรรมเหล่านั้นทั้งๆทํำยังไงบ้า ง, ง, ง, งเรียกว่าทําอันสมควรอนุธรรมจารีเรียกว่าประพฤติธรรมน้อยเพื่อคล้อยตามธรรมใหญ่ๆต่อไปเนี่นะ อธิบายว่าความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นฆ่าศึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีเจปฏิปันโนนั่นแหละกลุ่มนั้นนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติไม่เป็นฆ่าศึกปฏิบัติไปตามประโยชน์นะนี่เรียกว่าเป็นคนที่แสวงหาประโยชน์จริงๆเลยนะแต่หมายถึงประโยชน์ประโยชน์สูงสุดน่นนะ มันปฏิบัติธรรมสมควรแกโลกุตระธรรมทำอะไรบ้างล่ะความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวายในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้ประมาณในการโภชน ะ, ะรู้ประมาณในโภชนะความประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นสติสัมปชัญญะเหล่านี้ท่านเรียกว่าธรรมะอันสมควรก็แปลว่า เสนอินทรังวรโภชเนมตัญยุตตาชาคริยานุโยคสมถะวิปัสนาหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะศาสตะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะการเจริญสัมปชัญญะเหล่านี้เพื่อสอดคลอยคล้องนะสอดคล้อยคือคล้อยตามอะไร ร้อยตามโพธิปัจจะธรรมเพราะโพธิปัจจะธรรมนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานคําว่าประพฤติทธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเป็นนิดเนี่ยนะหมายความว่าประพฤติอย่างเนี่ยเป็นปกติเป็นนิดนิจก็คือมันเที่ยงอะทําให้มันเที่ยงเลยนิดนดิรันอะนะนิตยาก็คือมันแน่นอนอะทำให้มันแน่นอนซะปฏิบัติเพื่อ น, นิพพานให้แน่นอนเลยนะอย่าเบี่ยนเบนเป็นต้นเนี่ยอธิบายว่า พระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นประพฤติปฏิบัติ ด, ดำเนินเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยานในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็คือศีล uh, อินทรีย์สังวรโพชฌนาตัญญาชากริยานุโยกสมถาวิปัสสนานั่นแหละนะทำตลอดในธรรมทั้งหลายเนืองนิดตลอดการเป็นนิดคือทำติดต่อทำติดต่อเนื่องเนื่องทำต่อเป็นลำดับไม่สับสนเออที่สําคัญว่าทำแล้วไม่สับสนเนื่องกัน กระทบกันเรว่าสืบทอดกันเหมือนอะไรเหมือนระลอกน้ําเป็นคลื่นสืบสืบทอดสืบต่อกันกระทบกันต่อไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่าปฏิบัติกุศลธรธรมไหลไปกุศลอย่างเดียวห ล, ลังไหลไปเหมือนกระแสคลื่นในทะเลเนี่ยนะไม่มีหยุดไม่มีย่อนเนี่ยนะชาวนะเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับสมถาวิปัสนาอย่างเดียวทั้งเวลาก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังแปลว่ายี่สี่ชั่วโมง เนี่ยนะอะไรนะก่อนอาหารหลังอาหารยามต้นยามกลางยามหลังก็แปลว่า24ชั่วโมงยังมีว่าข้างแรมข้างขึ้นก็คือแปลว่าทั้งเดือนแล้วฤดูหนาวฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนก็แปลว่าทั้งปีวัยต้นวัยกลางและวัยหลังก็แปลว่าตลอดชีวิตตอนแรกคาท่าเหมือนสักนิดนิดเนี่ยแต่นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับคลื่นในทะเลว่า ง, งั้นนะเจริญอย่างนั้นตลอดไป เรียกว่าประพฤติธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายเนืองนิดนิดนิตยะนิดนิยตบับแล้วว่ามันแน่นอนเนี่ยเจริญอย่างนี้ไม่มีเวลาเปลี่ยนแปลงก็บอกว่ายังเจริญไม่ได้ก็ให้มีใจว่าจะเจริญอย่างนั้นก็ดีได้บุญแล้วเหมือนกันนะคือมันต้องมีโครงการว่าจะต้องทําอย่างนี้ให้มันได้ตลอดไปแต่ว่ามีใครทําได้หรอกใช่แล้วคนทูดนี่นแหละทําไม่ได้ตลอดไปทําไมอะ่เะเพราะความคิดตัวนั้นแหละมันทําให้ทําไม่ได้เพราะไม่คิดจะทำเห่ืงนกัน คำว่าพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเห็นอย่างไรก็เห็นโทษในภพทั้งหลายว่าสับเพสังขารานิจาสังหารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสับเพสังขาราทุกขาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขสับเพธทำมานาตารำทั้งปวงเป็นานาตา สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวทมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะพิจารณาอะไรอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณปฏิจจัสมบุบบาทั้งอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหตุเกิดความดับอ ส, สาธทะอาทินวนิสรณะ แข่งมหาภูตรูปสี่ภาษายตนาหกอุปาทานขันห้ายังกินจิตสมุทยาธรรมมังสัพพันธังนิโรธธรรมมังพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาด้วยโสดาปฏิมักเนี่นะเรียกว่าพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอเรศฉนั้น สรุปว่าพระประเจกษัมพุทธเจ้าไม่ละกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่สละฌานที่ได้แล้วประพฤติ ธ, ธรรมะนะประพฤติ ธ, ธรรมในธรรมประพฤติ ธ, ธรรมอันสมควรในธรรมทั้งหลายก็คือประพฤติในกุศลธรรมเพื่อบริบูรณ์แห่งโพธิปักิยธรรมเป็นปกติตลอดสืบเนื่องเหมือนคลื่นในทะเลพิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลายเนี่ยนะด้วยวิปัสสนาอย่างสูง แล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเที่ยวไปด้วยอริยมรรคดุจหน่อแร้ฉะนั้นเนี่ยนะก็บรรลุไปอีกองหนึ่ง